ยาซีเรียสเรื่องพระเตะตะกร้อวันหนึ่งสมเด็จโตเดินผ่านหลังโบสถ์ เห็นพระกำลังเตะตะกร้ออย่างสนุกสนานนายทศซึ่งเดินไปกับท่านด้วยรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ว่าอะไรทั้งทั้งที่การเตะตะกร้อมันผิดพระวินัยจึงถามท่านไปว่าทาไมไม่ห้ามพระเตะตะกร้อถึงเวลาเขาก็เลิกเองถ้าไม่ถึงเวลาเขาเลิกเราไปห้ามเขา เข้าก็ไม่เลิกท่านตอบในทศอย่างนั้นจะเลิกไม่เลิกมันอยู่ที่ใจของเขาต่อมาพระกลุ่มนั้นได้ใจคิดว่าสมเด็จไม่ว่าอะไรจึงเล่นเตะตะกร้อกันอีกแต่คราวนี้สมเด็จท่านไม่ปล่อยเหมือนคราวก่อนท่านให้เด็กไปเรียกพระเหล่านั้นมาแล้วให้เด็กยกน้าร้อนน้าชา และน้ำตาลทรายมาถวายสักครู่สมเด็จได้ถามขึ้นว่านี่คุณตะกรอหนี่หัดกันนานไหมพวกพระต่างมองตา ก, กันรู้สึกอาการชักจะไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าสมเด็จจะเล่นไม้ไหนได้แต่นั่งทำตาปริบปบลูกไหนเตะยากกว่ากันลูกข้าง ลูกหลังน่ะสมเด็จยอดเข้าไปอีกพระเหล่านั้นไม่พูดอะไรหน้าถอดสีรู้สึกละอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีเสียให้ได้โดยปกติสมเด็จท่านไม่ค่อยได้ว่า ก, กล่าวอยู่แล้วท่านไม่เคยปากเปียกปากแฉะอย่างพระเจ้าอาวาสทั่วๆไปนานๆครั้งจะว่า ก, กล่าวกันที ยิ่งท่านไม่ค่อยได้ว่ากล่าวตักเตือนยิ่งทำให้ละอายอย่างมากปรากฏว่าต่อมาพระวัดระคังเลิกเตะตะกร้อ ก, กันอย่างเด็ดขาด